ส่วนอาหารของพ่อชงได้แก่โยนิโสมนัสิการอาณาอาหารได้แก่การขาดมนัสิการ ข, อขอาา้อก่ออาหารและอาาอาหารของนิวรณนหมีดังนี้1กามฉันทะมีอาหารคืออโยนิโสมนัสิการในสุภนิมิต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 ในความริเริ่มก้าวหน้าบากบัน้นอาหารและอาหารของนิวรณ์ข้อที่สอุททะจักกุกุจจะมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในภาวะหรือเรื่องที่ใจไม่สงบอาหารคือโยนิโสมนสิการในภาวะเรื่องราวที่ใจสงบอาหารและอนาหารของนิวรณ์ข้อที่5วิจิกิจฉา มีอาหารคืออโยนิโสมณสิกานในธรรมคือเรื่องราวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิชาอนาหารคือโยนิโสมณสิกานในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้นก็ขออาหารและอนาหารของโพ่อชงเจตมีดังนี้หนึ่ง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 ปีติมีอาหารคือโยนิสโสมนสิการในธรรมคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปีติ 5. าปัสสัิมีอาหารคือโยนิสโสมนสิการในกายปัจสัิและจิตตปัจสัติ 6. สมาธิมีอาหารคือโยนิสโสมนสิการในสมาธินิมิตในสิ่งที่ไม่ทาให้ใจพร่าสับสน 7.